เรื่องฝีดาษ3า4สมัยนั้นท่านพระเพละสะศีสะผู้เป็นพระอุปชาของท่านพระอานุ์อาพาธเป็นโรคฝีดาษผ้านุ่งหม่มเกลอะกรังติดตัวเพราะน้ำเหลืองพวกภิกษุเอาน้ำชุบผ้าเหล่านั้นแล้วค่อยๆดึงออกมาพระผู้มีพระภาค สเสด็จจาริกไปตามเสนาสนะได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นกําลังเอาน้ําชุบผ้าแล้วค่อยๆดึงออกจึงสเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นตรัส ด, ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้อาพาธเป็นโรคอะไรพวกภิกษุกราบทูลว่าอาพาธเป็นโรคฝีดาษ ผ้านุ่งห่มเกลกรังที่ตัวเพราะน้ำเหลืองพวกข้าพระองค์เอาน้ำชุบผ้าเหล่านั้นแล้วค่อยๆดึงออกพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าปิดฝีแก่ภิกษุอาพาธ ที่เป็นหิตตุ่มผู้พองหรือฝีดาษ